ธรรมชาดกแผ่นที่12ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่16กรกฎาคม2554มีชื่อเรื่องว่าลิงเสียดายถั่วเออเมื่อกี้นหัวหน้าคณะธรรมทานได้กล่าวได้ไหว้พระแล้วก็กล่าว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 ที่ทางเดินยงกลมล้วนแล้วจะมีประโยชน์มีคุณค่ามีล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลของคณะศรัทธาญาตโยมทุกท่านที่มีจิตศรัทธาเพราะวัดของเราเห็นไฟฟ้าก็เห็นอยู่ที่ศาลาเท่านี้แหละกันนอกนักนั้นเข้าไปข้างในพระสงฆ์หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ต่อสายไฟเข้าไปไม่ได้เชื่อมสายไฟเข้าไป ให้มีแต่ใช้ไฟเทียนเทียนจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฉายเวลาเดินทางเพราะวัดหลวงพ่อนกว้างพันกว่าไร่พระสงฆ์จำพรรษาทั้งหมดปีนี้ถท่าว่าวันนี้แหละเป็นวันที่แน่นอนแต่ขณะนี้ก็พระที่จะเตรียมจะจำพรรษาทั้งหมด48รูปสัมมาเนนไม่มีปีนี้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 การใช้ผ้าเนี่ยผ้าในยุคนั้นก็คงจะไม่มีไม่มีโรงงานอย่างทุกวันนี้คงจะมีกี่กระตุกออกอดจะได้ผ้ามัดแต่ละผืนเนี่ยก็เป็นของยากลาบากมาก เ, เพราะฉะนั้นผ้าจึงหายากในยุคสมัยครั้งพุทธกาลทีนี้ท่นี้พระสงฆ์ทั้ท ง, ทงหลายเข้ามาบวชก็ตามมีตามเกิดอย่างที่ว่าผ้าบางสกุลอย่างที่หลวงพ่อได้พูด ให้คณะทศไทยญาติโยมฟังมามากต่อมากผ้าเก็บผ้าตกหรือว่าผ้าเก็บหรือผ้าเขาทิ้งแล้วจับมาปฏะติปะต่อแล้วมาเย็บเป็นผ้าจีวรผ้าสบงผ้าอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ผ้าที่ไม่จําเป็นอย่างผ้าอาบน้ำเลยผ้าสง์ท่านก็ไม่มีมีแต่ผ้านุ่งผ้าจีวรส่วนผ้าสงอาบน้ําเนี่ยก็ผ้าสง์ก็ใช้เปลือยกายอาบน้ำเลย ในครั้งพุทธการนะอันนี้พูดตามตามพระภิตรายหรือตามในพระไตรปิฎกท่านได้กล่าวเอาไว้นะสาเหตุที่มีผ้าอาบน้ำฝนนั้นเป็นมาอย่างไรอันนี้หลวงพ่อไม่ได้เอาครั้งนู้นมาประจานไม่ใช่นะใครเขาว่าท่านธรรมดายุคนั้นสมัยนะั้นคือว่าถือเป็นธรรมดาพระสงฆ์อยู่ด้วยกันเดีนี้ก็พระสงฆ์ไม่มีผ้าอาบน้ําำยุคสมัยนั้น คอือพระพุทธเจ้าก็ห้ามพระสงฆ์ไม่ให้อาบน้ำาน่ติดต่อกันอีกต่างหากก็แปลกเหมือนกันนะวินัยจุดนี้สิบห้าวันจึงอาบน้ำได้หนหนึ่งถ้าภิกษุอาบน้ำติดต่อกันปรบมืบัดแหะปาจิตตีอีกเหมือนกันถ้าเว้นไวแต่ฝนพายุมาหรือว่าฝนตกหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยจำเป็นจะต้องใช้ต้องอาบน้าจึงให้อาบได้ถ้าว่าไม่จาเป็น อยูด่ดีมีสุขอยู่ห้ามอาบน้ำสิบห้าวั น, นแต่เราเพียงวันเดียวนั่งกับพอแรงแหะแต่ปัจจันต์ตประเทศอย่างประเทศเราอาบน้ำไรเป็นนิดไม่เป็นอาบัติแต่แต่ว่าอารยประเทศคือประเทศกลางแห่งประเทศอินเดียนะมัชชิมาประเทศประเทศอินเดียสิบ้าวันจึงอาบน้ำได้หัวหนึ่งถ้าหากว่าไม่ถึง15้าวันอาบน้ําปรับอาบัตดอันนี้ก็คือพระวินัย ตอนนี้วันหนึ่งวัดป่าเชตะวันมหาวิหารฝนตกกลางวันเถิดฝนตกแรงมากพระสงฆ์ก็เห็นว่าอันนี้คือพระพุทธเจ้าอนุญาตให้อาบน้ําได้เพราะฝนตกเนี่ยพายุมาฝนตกพระสงฆ์ก็เลยเปื่อยการลงไปอาบน้ําถิดต่างโกงก็ต่างอาบน้ํากันทอนนี้หากระโปงหากระป๋องรองน้ำบ้าอาบน้ํากันต่างโกงก็ต่างอาบน้ําทนนี้นางคนใช้คนนางวิสาขา เข้าไปธุระนางวิสาขาใช้คนใช้ไปเอาของไปถวายพระสงฆ์ลดน้ําปานะไปถวายพระสงฆ์ตอนบ่ายอย่างนั้นพอเข้าไปไปเห็นพระสงฆ์กําลังอาบน้ําตอนกลางวันตอนบ่ายต่างองค์ก็ต่างเปือยกายอาบน้ํากันที่นางคนใช้ไปเห็นไปเขาบอกว่าพอกลับมาเป็นไงเห็นพระสงฆ์ไหมไม่เห็นเห็นแต่พวก เดลทีชีเปื่อยเต็มวัดเหมือนกันนางวิสาข็จะอึกในใจเลยคนนี้ออใช่วันนี้เป็นวันฝนตกพระสงฆ์อาบน้ำแต่นางนี้คนใช้เขาไม่รู้ว่าเป็นพระสงฆ์แต่ว่าเห็นแต่คนชีเปื่อยอาบน้ำแต่นางวิสาขาข น, นาดยกเป็นเหตุท่นี่คือนางวิสาขาเป็นผู้มีปัญญา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 ขอให้พระสงฆ์ใช้ผ้าอาบน้ําฝนด้วยเทินพระเจา้าค่ายเพราะว่าบางคนผู้ที่ไม่เลื่อมใสก็จะไม่เลื่อมใสถ้าผู้เลื่อมใสอยู่แล้วเห็นพระสงฆ์เปื่อยกายอย่างนี้ก็อาจจะคลายความเลื่อมใสเพราะฉะนั้นขอให้พระพุทธองค์รับอนุญาตให้พระสงฆ์ใช้ผ้าอาบได้อาบน้ําด้วยเทินพระเจา้าค่าพระพุทธองค์ก็เลยรับรับตั้งแต่ นั่นมาพระองค์ก็เลยบัญญัติวินัยถ้าหากว่าก่อนข้อพรรษาเดือนหนึ่งจึงถวายผ้าอาบน้ําฝนได้แล้วก็อีกกี่วัน15้าวันน่ยหลวงพ่อก็จาไม่ผิดไอ้จำไม่ไม่เน็ตไม่แม่นนะให้พวกเราไปตรวจดูก็ได้วินัยจุดนี้นะคือศินสองสี่สิบเของของพระนี่อเรียกว่า15วันจึงอพิณฑูอธิษฐานให้ใช้ได้แต่ก็นอกจากนั้นก็ท่านก็ไม่ได้ให้ใช้อีก ใช้ยังไงก็ได้แต่ก็ต้องมาคิดอีกว่าจะใช้ยังไงแต่อย่างจันทันทั้งประเทศหรือประเทศของเราเนี่ยอาบน้ําเป็นนิดอได้ทุกเวลาเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่ อ, อไม่มีอะไรกฎเกณฑ์อะไรลัดกลุ่มแต่ว่าห้ามพิษสูไม่ให้อาบน้ำสิบห้าวันนั้นก็มีวิเนียอีกพระพุทธเจ้าบัญญัติคือวิเนัยนบัญญัติของพระพุทธเจ้านี่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 ผู้ที่ไม่เริ่มใสหรือว่าผู้เริ่มใสอยู่แล้วก็ไม่รู้นะคิดว่าเป็นชีเปลยเนะต็มวัดไปเลยนะอย่างที่คนใช้ของนามวิสาขาเข้าใจเนะนี่แหละพุทธศาสนาเป็นมาแต่ถึงยจงไงก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนะวันนี้เป็นวันเป็นวันเข้าพรรษาละวันนึ่วันเข้าพรรษาพรรษานี้ในพรรษานี้พวกเราจะยึดอะไร เป็นเครื่องอยู่หรือว่าเป็นเครื่องดําเนินเรื่องศีลธรรมแต่เรื่องทางโลกเราไม่ต้องพูดละเรื่องทางโลกเนี่ยเราทาํามาค้าขายทำมาหาเลี้ยงชีพอันนั้นเราทําอยู่แล้วแต่เรื่องธรรมเรื่องเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจพวกเราเนี่ยเราจะยึดอะไรในพรรษา น, นี้เป็นหลักจิตหลักใจข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันมาเหตขาดข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาทุกวัน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 ไม่มีใครทุกยิ่งกว่าตัวของเราเองตัวของเรานั่นแหละทุกมากที่สุดในเมื่อถึงจุดนั้นเพราะนั้นจะว่ายมมรรทูดเขาไม่เตือนไม่ได้นะยมมรนทูดเขาเตือนแล้วที่หลวงพ่อเคยพูดมีตาแก่คนถึงตายไปอายุเจ็ดสิบกว่าตายไปก็ไปโมโหให้ยมยมบรรทูดบอกว่ายมมรรทูดไม่บอกไม่กล่าว เงิตามตามไม่จริงน่าจะเตือนข้าพไปเจ้าก่อนข้าพไปเจ้ามีพันธะธุระพิ่นายกงพิ่นากรรมไม่ได้สั่งเสียลูกหลานเลยและก็ปุบปรับกระชากชีวิตของข้าไปเจ้ามาอย่างนี้แสดงว่ายมมาโทษไม่เป็นธรรมทำไม่เป็นธรรมกับข้าไปเจ้าเลยเออไปเถียงยมมาโทษเาเออยมมาโทษโต๊โต๊ ะ, ต ะ, ตะเปี่ยงใส่เลยว่างั้นเถอเราเตือนมาลู้กี่ครั้งแล้วแก่ไม่ฟังเอง ทางนี้คือขึ้นเสียงแข็งต่อโยมมาทูดเตือนที่ไหนเมื่ อ, อไรบอกมาสิโยมมาโทษเขบอกว่าเนี่ยอายุเท่าไหร่ผมงอกอายุเท่าไหร่ฟันหลุดอายุเท่าไหร่ตาฝ้าฟางาเามื่อผมงอกนั่นแหละจดหมายฉบับที่หนึ่งเตือนไปแล้วคุณคน ค, คุณแก่แล้วนะผมงอกแล้วนะเมื่อตาฝ้า ฟ, า, ฟางก็ามาเนี่ยคุณตาไม่เห็น เห้ยโหนทางแล้วนะเตือนแล้วนะแหมตาแกก็มาเปลี่ยนเลนชักมาใส่แว่นเขาไปซะต่อมาก็เตือนอีกฟันหลุดอีกแหมพอฟันหลุดก็ยังไม่ยอมอีกยังหาฟันมาเสริมเข้าไปอีกอหมไม่โล้เตือนไม่รู้กดจดหมายไปักี่ฉบับก็ยังไม่เชื่อจะว่ายมมาโทษไม่เตือนได้อย่างไรแหมโยมมาโทษก็เตือนเป็นระยะระยะนะพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นความแก่เนี่ย เตือนพวกเราอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นขอให้พวกเรานะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องจากกันอันนี้ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะเพียงแต่ว่ามารณะภัยเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ในพวกเราควรจะสัมรวมระวังควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอันนี้เป็นบอกเป็นการบอกกล่าวบอกกล่าวเตือนกันเหมือนกับนี่แหละ พิษภัยอยู่ข้างหน้าอันต ร, รายใหญ่หลวงนะพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทนะอันนี้คือแบบคนรักกันนะคุณรักกันคุณมีน้ำใจต่อกันคุณมีคนมีเมตตาต่อกันพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีน้ําใจบอกกล่าวเตือนสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่ยนะลูกศิษย์ลูกหาพระพุทธเจ้าเนะี่ยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนะ้ออีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบแน่นอนนะ อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเตือนพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะอย่าตั้งยึดความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเราจะยึดอะไรเป็นหลักในพรรษานี้ยึดบุญกุศลตรงไหนข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันจะนั่งภาวนาทุกวันไม่ให้ขาดจะใส่บาตรทุกวันไม่ให้ขาดอย่างหลวงพ่อพูดเมื่อวานใส่บาตรทุกวันได้ทํายังไงหลวงพอ่อ พวกผมบางทีก็นอนตื่นสายบ้างตุรการงานบ้างจะไปคอยเฝ้าถนนใส่บาทก็คงเสียเวลาแต่หลวงพ่อว่าถ้าเรามีปัญญานะเราใช้ปัญญาที่จะอยากจะทำบุญก็ไม่มีปัญหาอย่างเออวันนี้พวกพวกเราจะใส่บาทสมเด็จพระสังคราชแล้วก็มีกระปุกขึ้นมาหมูหมากาไก่ไก่จอดลงหลังกระปุกหมูหมากาไก่นี่ย น, นะแล้ววันนี้เราจะทำบุญ จับกับสมเด็จพระสังฆราชถาวายกล้วยน้ําว้าใบหนึ่งกล้วยหอมใบหนึ่งนมกล่องหนึ่งกล้วยเตี๋ยวชามหนึ่งเอออะไรก็ได้ที่เราอยากอยากจะทานแล้วก็ถาวายสมเด็จพระสังฆราชหรือถาวายสมเด็จองคไหนก็ได้หรือถาวายครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาองค์ไหนก็ได้ที่เรารักเคารพนับถือเออแล้วก็ใส่ลงไปคนให้สุด เ, เมื่อออกพรรษาแร้วดึงหนึ่งเดือนเนี่ย เราก็นําจตุปัจจัยนั้นไปถวายท่านอันนี้เอา้เอาอาหารใส่บาตรพระคุณท่านนะครับผมเจ้าข้ า, าว่ากันนี่แหละอันนี้คือพิธีการทําบุญถ้าเราใส่ใจในการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วทําได้ทั้งนั้นเว้นเสียแต่เราไม่ใส่ใจถ้าเราไม่ใส่ใจพระเดินพินอบาต ท, ทุกปีทุกวันเราก็เห็นพระหมาเรามองขึ้นฟ้านะเราไม่มองเห็นพระอีกต่างหากนะ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 มาช่วยมาส่งเสริมมาให้ทุนแก่เรามาเมื่อเรามีห้างมีห้างสปปรรพสินค้าอย่างนี้คนเข้ามาซื้อของในห้างสปปรรพสินค้าของเราเพราะเหตุไดเพราะเราสั่งสมบุญกุศลไว้แล้วถ้าเราไม่มีบุญบางทีก็เจ๊งไปไม่ไมรู้ ก, กี่อย่างเหมือนกันนะนะมีปั๊มน้ํามันเหมือนกันแต่บางบางปั๊มก็เจริญเอาเจริญเอาแต่บางปั๊มก็ จมแหล่ไม่จมแหล่บางคําก็จอดไปเหมือนกันเพราะเหตุไรเเพราะว่าจะว่าการบริหารจัดการไม่ถูกก็ใช่จะว่าบุญบา ร, รมีก็มีส่วนเหมือนกันเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะบุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเครื่องเครือกุลหนุนพวกเราเกิดพบได้ชาติใดถ้าคนมีบุญแล้วอะสะดวกสบายทั้งนั้นแหละถ้าคนมีบาปเกิดไปพอเกิดขึ้นมาก็หูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียจิตเออ คิดอะไรไม่ออกเนี่ยแหละเป็นภาระของพ่อของแม่เลยแล้วทำไมจะเป็นภาระของพ่อแม่กับพ่อแม่ก็ร่วมกันทําบุญทําบาปกับคนคนนั้นอ่ะเน<อ>ีบางทีตัวเองไม่ได้ทําแต่ยื่นจัตราอาวุธให้เขาไปฆ่าไปฟันไปทําร้ายคนอื่นบาปกรรมตอนนั้นกัตัวคนทําก็เป็นอันดับหนึ่งจำเลยที่1นึ่พ่อแม่ก็ส่งเสริมก็เป็นจําเลยที่2ลักษณะอย่างนั้นอ่ะ เ, อเพราะนั้น พวกเราอย่าทำกรรมชั่วกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าพระพระุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นนะอักตังลุกตังเสยโยปัชฌาตะปติลุ ก, กตังรยยตะะตกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะให้ผลเดือดร้อนตามมาเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ให้สังสมคุณงามให้สังสมแต่คุณงามความดีทําสิ่งไหนก็ดูดูเอาของ เราจะไปทําเอาจะไปเอาของที่อของเล็กๆน้อยๆมาแลกเปลี่ยนคุณงามความดีสมมติว่าเราจะไปเที่ยวอย่างนี้ทั้งที่เราจะไปสร้างบุญสร้างกุศลนะทั้งที่เราจะไปสร้างคุณงามความดีแต่เราคิดถึงหมูถึงเพื่อนอคิดไปทางกินเหล้าเมายาไปสร้านี้เราก็ไปทางนู่นสร้างแปลว่าเอาของของของต่ําเอาของเล็กน้อย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 ยูดปาเชตตะวันวันหนึ่งเอในช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูฝนพวกไ<ม> อ, อ, อ, อพวกไ อ, อพวกมิจฉาชีพพวกโจรผู้ร้ายนํามาบุกตีตีชนบทของพระเจ้าปเสนที่โกรธส อ, อพอตีแล้วทีนี้พรยาทหารพระยาปเสนที่โกศธนในในท่านปกป้องไม่อยูออ่สู้ไปแล้วก็สู้เขาไม่ได้แต่เลยมีจดหมายเข้ามาถึงพระเจ้าปเสน ส่งข่าวเข้ามาว่าเขาชนระบทแถบนั้นน่ะโจนผู้ร้ายลุกฮือขึ้นมาแล้วพวกเราตีต่อตีต่อต้านไม่อยู่พญาปเสนทุกโอโซนเกิดพอได้ยินเท่านั้นแหละแต่เป็นช่วงฤดูฝ น, ฝนฝนตกหนักที่นในช่วงนั้นน่ะทีนี้พญาปเสนก็เลยเตรียมโยทาที่จะเข้าไปต่อสู้กับโจนผู้ร้ายที่ อยู่ที่ปลายแดนในชนบทของตนเองทีนี้ก็พอเตรียมคนโทไอกองคนทัญญาหารคนโพเสร็จแล้วก็พวกกองทัพเสร็จแล้วก็เอ๊เราควรจะไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนเพราะพระพุทธเจ้าที่ท่านเสด็จอยู่นีที่กรุงสวัส์ถีวัดปลายเชตตะวันถ้าหาว่าเราเข้าไปถ้ามันจะเพียงพร้หรลอเป็นอันตราย พระพุทธเจ้าก็คงจะบอกเอ่ยอย่าไปเถอะแต่ท่านก็คงจะให้ในๆแต่ถ้าว่าเราไปแล้วจะเป็นการดีชชยชนะพระพุทธเจ้าก็จะเฉยท่านจะไม่เหมือนกับท่านไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เสียเรื่องเรื่องการกระทำนั้นดัง น, นี้เราควรจะไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนพราะพยาปัเสินรักพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าสุดหัวจิตหัวใจ พระพุทธเจ้าพูดยังไงพระพยาพเปสียนเชื่อทั้งหมดเพราะฉนั้นพระพญาไปเสียญนี่ก็กเตรียมทัพไปแล้วกับไปพักทัพไว้ก่อนแล้วก็เดินเข้าไปตามลําพังกับทหารคู่ใจเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามเออมหาปวิทธิ์ทำไมมีเรื่องรีบด่วนเหลือวันนี้ทําไมจึงเข้ามาผิดเวลาอย่างนี้คงมีเรื่องรีบด่วนมั้งเนี่ยมีพระเจ้าข่า เพราะชนนบดของข้าพระ อ, องค์ เ, เดี๋ยวเขากำลังมีพวกโจรผู้ร้ายกำลังมีปัญหาก่อจราจนกันอยู่ข้าพระ อ, องค์จึงได้ เ, เตรียมพลโยธาจะออกไปปราบจราจนพระเจ้าข่าพระ พ, พระองค์ก็นิ่งพระองค์บอกว่า การที่จะทำอะไรลงไปเนี่ยมันต้องดูเจ้ก่อนนะเพราะว่าการที่จะแลกเอาของใหญ่ไปแลกของเล็กเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากันนะมหา婆พิทคือมีแล้วในครั้งในครั้งพุทธกาลในครั้งก่อนในครั้งก่อนเคยมีมาแล้วอย่างนี้พระยาปฏเสียนก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าครั้งไหนพระเจ้าข่าครั้งอดีตกาลพระพุทธเจ้าเลยยกเป็นชาดกให้ฟัง สมัยหนึ่งพระเจ้าพมทัดครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีนะและ้วทอนนี้มีชนบทอย่างที่ว่านั่นะมีชนบทเกิดศึกสงครามขึ้นมาพระเจ้าพาราณสีก็จะยกพลโยธาหารไปปราบจราจชนในชนบทตอนนี้ก็ยกไปกับไปถึงหนทางที่นอกเมืองก็เลยเตรียมพลพักที่จะยกเข้าไป แต่มีอํามาตย์ผู้หนึ่งอํามาตย์ผูนั้นเป็นผู้มีสติปัญญาอํามาตย์ก็คือเป็นองค์ข้ามนตรีนะนะั่นแหะเป็นที่ปรึกษาเป็นให้เป็นผู้ให้คําแนะนําพระเจ้าแผ่นดินนะคือองค์ขมนตรีทอ น, ะนี้องค์ข้ามนตรีท่านก็ไปด้วยทีนี้พอไปพักพลที่นั่นพวกทาหารทางหลายเขาก็เลยขั้วถั่วที่สงนะเนี่ยถั่วดินนะขั้วขั้วเสร็จแล้วเขาก็มาเทใส่รางให้ม้ากิน เทให้มากินแต่ได้ลิงอยู่แถวนั้นก็วิ่งลงมามาก็จับจัดๆจัดๆัดใส่ปากจนกับพุ้งแก้มตุ๋ยทั้งสองข้างเสร็จแล้วก็กำใส่มือขึ้นอีกกำขึ้มือขึ้นอีกวิ่งขึ้นไปเลอวิ่งขึ้นไปต้นไม้ปอปากก็เต็มมือก็เต็มวันนี้มีถั่วลิสงเม็ดหนึ่งมันหลุดจากมือลิงมือมันเล็กใช่ไหมล่ะมันหลุดจากมือป๊อลงไป เลีงตอนนั้นก็มองเห็นเม็ดถั่วที่มันหลุดจากมือนะ่ยแอมันหลุดเม็ดเดียวนะแต่เลียงนี่โยนโยนเม็ดถัว่วลิสงนี่ทิ้งทั้งกํามือในป่า ก, ก็คลายทิ้งอีกลงไปหาเม็ดเม็ดถัว่วลิสงเม็ดที่มันตกลงไปอำมาตก็เห็นเนี่ยนี้พระเจ้าแผ่นดินก็เห็นเนี่ที่นั่งอยู่เรื่อยถามวาลิงมันทํำยังไงพระเจ้าแผ่นดินถามอำมาต ถ, ถามปุโรหิต ถามองค์ขมนตรีลิงมันทาอะไรองค์ขมลตรีท่านตอบว่าลิงตัวนี้มันโง่เพราะเหตุไรเพราะถั่วลิสงอยู่ในปากก็เต็มอยู่ในมือก็มีแต่ถั่วลิสงเม็ดเดียวที่มันตกลงไปในพื้นน่ะลิงก็ลงคว้าลงไปหาไปหาเม็ดตึเม็ดถั่วลิสงเม็ดนั้นนี่แหละถ้าลิงฉลาดนะจำไม่จริงอยู่ในปากก็มีอยู่แล้วอยู่ในมือก็มี น่าจะกินในปากในมือซะก่อนจะค่อยลงมาหาก็ได้อันนี้ปล่อยทิ้งทั้งหมดอันนี้พวกคนทั้งหลายพอดีถ้าสแสวงหาทรัพย์ทำใหญ่เอาตัวใหญ่ไปแลกตัวเล็กเนี่ยแปลว่าเขาว่าไ ป, ไปว่าโง่โง่เอาของใหญ่ไปแลกของเล็กโง่เอาของดีไปแลกของไม่ดีโง่อันนี้พวกเราจะยกพดล ไปสู้รบกับชนน้ำบทเนี่ยที่เขามาอยู่ในชนน้ำบทที่พวกโจรผู้ร้ายอยู่ในชนนบทมีอยู่เดี่ยวนี้เรายกพลโยธาหานไปเข้าไปเนี่ยทั้งช้างทั้งมา้าบางทีช้างอาจจะติดลมรถอาจจะติดลมเสียหายมากกว่าถ้าว่ารถเรายกไปในขณะนี้ถ้ามันเสียหายในช น, นบทนั่นก็เสียหายนิดหน่อยแต่ถ้าเรายกไปเนี่ยจะเสียหายมากกว่าพระเจ้าค่ะ ขอให้พระ อ, องค์คิดดูให้ดีกันแล้วกันแต่ถ้าเรายกพลไปหน้าฝนอย่างนี้ความเสียหายพลพักทหารอาจจะล้มตายก็ได้เพราะมันสมัยนักก่อนคงจะมีผ้าไม่มีผ้าตุง้งผ้าเต็นท์อย่างทุกวันนี่ไงแอบกบแบบเปียกปอนไปหมดผลในส่วนของพลพักก็ตายเนี่ยเพราะเหตุไรเพราะเดินทับหน้าฝนพระเจ้าเป็นดินได้ยินเหรอโอ้ใช่เอ้ายกทับกลับก่อนเดี๋ยวบท ห, หน้าฝนจะค่อยไปปราบมัน ยัค่อยเปลยปล่าไปหน้านี้ไม่ได้เสียหายเสียมากกว่าได้นี่แหละอันนี้พระเจ้าเป็นดินก็ยกพลกลับมากลับมาพวกนั้นก็ได้ยินข่าวว่าพระเจ้าเป็นดินจ ะ, ะยกพลมาพวกชนนบดนั่นก็แตกหนีไปคนละทิศคนละทางพอพระเจ้าเป็นดินเอาจริงและข่าวนี่พวกนั้นก็เลยแตกไปบ้านเมืองก็เลยสงบพรมเย็นข่าวนี้ก็เหมือนการพญาปเสนที่โคสโกสนเนี่ยจะยกทัพไปข่าวนี่พอไปถึงมัดป่าปเชตตะวันพอดี แจากนั้นก็พระพุทธองค์ได้ยินนิทานเรื่องนี้ละพระพุทธองค์ยกเป็นชาดกขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าพระเสียงก็ได้ยกพลกลับอีกเหมือนกันฮะโจรผู้ร้ายได้ยินกับเปิดแหนบนี้อีกเหมือนกันนี่แหละพระพุทธองค์อชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะทํำสิ่งใดก็ตามต้องคิดบวกลบคูณหารดูก่อนว่าการกระทําอย่างนี้เออ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 ไปทำมาค้าสายทั้งหมดเออทำใหญ่ประหาเล็กหลวงพ่อเห็นแล้วก็เออเออมันเข้าทำนองนี่แหละทำนองที่เออเราจะยกพลพักไปเพื่ อ, อ, อปกป้องชนบทแต่ไปหน้าผลไปผิดการเวลาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะจะทำสิ่งใดก็ตามถ้าหากว่าเราลงทุนมากแต่จะได้ผลเพียงเล็กน้อยนะ บ, บันดิตทักปราดในครั้งเก่าแก่เรือ่องคา คำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านไม่ไม่ส่งเสริมนะท่านว่าโง่นะพระธรรมขันธท่านว่าโง่ถ้าทำอย่างนั้นนะเพราะเหตุไรเพราะว่าเราเอาของใหญ่ไปแลกของเล็กอย่างพระเจ้าพระาราณาสีกวดีเจ้าพระเจ้าประสิฐธิ์ที่โกรธโศนกวดีจะยกกองทัพไปหน้าฝนคนจะล้มหายตายจากเท่าไหร่ชนบทนั่นก็เป็นชนบทที่ไม่เจริญเท่าไหร่แต่เราเอาไปแล้วกับใช่ ไปไล่โจนผู้ร้ายออกได้แต่ว่าพลพรรคในเสียหายเท่าไหร่ตายไปเท่าไหร่ช้างม้าที่เป็นพาหนะเนี่ยจะล้มตายไปเท่าไหร่หนถนาทหารฐหานเนี่ยจะตายไปเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้มานั้นก็คือได้ขอบคลองชนบทเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองเอันนี้พระพุทธองค์กดสอนให้พวกเราเป็นชาดกให้พวกเราได้คิดเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราเป็นฆรวาวาสญาติโยมเป็น ผู้คลองเรือนจะทำสิ่งไหนก็ตามนะนับตั้งแต่หลวงพ่อเป็นต้นไปนะหลวงพ่อก็อยู่ในโลกเหมือนกันนะหลวงพ่อจะทำอะไรสิ่งไหนก็ตามนะ้าบวกลบคูณหารไปแล้วขาดทุนนะหลวงพ่อจะพยายามถอยเหมือนกันนะขาดทุนคล้ายๆก็ว่าได้ได้น้อยแต่เสียมากเยเออมันไม่คุ้มค่าอย่าไปใช้อารมณ์อย่าไปใช้มุททลุอย่าไปใช้โมโหโกธา อย่าไปใช้อารมณ์โ่มเข้าไปผลในสุดก็เสียหายเหมือนเมื่อเสียหายขึ้นมาแล้วแก้ไขายากแต่เพราะฉะนั้นให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความใจเย็นใช้ความรอบคอบในการเป็นอยู่อันนี้ก็คือหลวงพ่อได้พูดให้ฟังเบื้องต้นก็คือการสั่งสมบุญกุศลอย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่เมื่อเราเป็นผู้ครองเรือนสิ่งไหนก็ตาม มันจะเสียมากเสียน้อยได้เสียอันนี้กับพวกเราควรจะใช้ชาดกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะทางพวกเราใช้อย่างนี้พวกเราไปอยู่น่าจฐานที่ใดความรอบคอบก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราทำอะไรจะไม่พรีพรามจะทำอะไรก็ไม่ตามอารมณ์ต้องคิดรอบคอบซะก่อนยังค่อยทำในจุดนั้นๆเรื่องนั้นๆความผาสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายนะ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 พ่อแม่ทางสามีวันเสาร์วันเสาร์รไปกับพ่อแม่ทางภรรยาพาลูกพาล้านไปล้วนแล้วจะเป็นสิริเป็นมงคลทั้งนั้นแหละถ้าพวกเรามีกฎกติกาส่งเสริมคุณงามความดีนะแต่พวกเราอยู่เฉยเฉแต่ละวีแต่ละวันผ่านไปผ่านไปมันก็อย่างว่านะวันคืนเดือนปีผ่านไปไม่ใช่มันผ่านไปแต่วันคืนเดือนปีนะชีวิตของเราก็ผ่านไปด้วยเพราะนั้นจะตั้งอยู่ในความประมาท ถึงวันนั้นมันจะไปเถียงโยมโยมมาทูดไปได้นะฮไปเถียงโยมมาทูดไปโยมมาทูดเขาเตือนแล้วเนี่ยจดหมายมันต้อกี่ฉบับเราไม่สนใจเท่านั้นเองจดมาจดหมายฉบับไหนมาก็ฉีกทิ้งหมดอจดหมายผมงอกแล้วนะฟันหลุดแล้วนะตาฝ้าฟางแล้วนะหูตึงแล้วนะอหนังเหี่ยวแล้วนะไม่ฟังอผลฝนสูดจะไปเถียงเขาอีกว่าเขาไม่เตือนไม่เตือนได้ยังไงเขาเตือนมาเป็นระยะระยะ แต่พวกเราไม่ฟังเท่านั่นเองนะเพราะฉะนั้นพวกเราฟังนะเออของเราเนี่ยเป็นยังไงอย่างหลวงพ่ออินเห็นไหมนะใส่แบนกันอกนะโยมมาทูษเขาเตือนนะนะหลวงพ่ออินได้แก่แล้วนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะต่อไปก็จะเตือนไปเรื่อยๆผมเหงอกหูตึงไปเรื่อยๆคอยพวกเราให้เนี่สังสมคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะนะ ส, ส, สรุปแล้วนะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร รับผ่อนอุทิศส่วนกุศลหน้า